อริยสัตสีสิงหานหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายชีวิตควรเป็นอยู่อย่างไรบทที่ส7บเจบทสรุปอริยสัตสีสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตจากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้าิบห้าหลักธรรมสำคัญที่ครอบคลุมคำสอนของพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดอันเป็นบทสรุปพุทธธรรมทั้งสองภาคลงในบทนี้ เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ตรงดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่ตรัสรู้ไม่เข้าใจอริยสัจส์่ทั้งเราและเธอจึงได้วิ่งเล่นเร่ร่อนไปในชาติทั้งหลายสิ้นกาลนานอย่างนี้ตัวอย่างหัวข้อภายในรวมพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องฐานะความสำคัญความหมายของอริยสัจอริยสัจ ปฏิจจสมุปบาทกิจในอริยสัจแนวอธิบายโดยสังเขปทุกเอตที่ยกทุกข์ขึ้นก่อนสมุทยัยคนเหตุปัจจัยด้วยปัญญานิโรธละมัคชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาทรรมกิจด้วยกรุณาคุณเห็นการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งสาณะสูงสุดหลักการพึ่งตนไม่รอโชคปาฏิหาร วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธคุณค่าเด่นของอริยสัตว์สรุปพุทธธรรมลงในอริยสัตว์ข้อสังเกตในการศึกษาพุทธธรรมอ่านโดยอริยคุณร่วมจัดทำรรโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัตสมเกียรติรักคงพันชิตาจุธาสุริยานันเจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาธานีนุ ก, กูลคณิตวิชาคุณครอบครัวแซงโงวิรัตทรงพลยานินเวียงเกตทวีช่างพินิษ